อามโรนะท่านเป็นชาวอังกฤษตอนนี้ก็เป็นเจ้าวาดวัดอามารวดีนะประเทศอังกฤษบุกสิตหลวงพ่อสุเมทโอท่านพูดถึงย่าของท่านนะคนอังกฤษแล้วก็ป่วยโคม่ามาสี่ปีไม่ตอบสนองอะไรเลยก็อยู่ได้ด้วยสายยางนะให้อาหารแล้วก็ต่อมาเนี่ยหมอพบว่าร่างกายอวัยวะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตับหรือไตเนี่ยหรือว่าหัวใจมันมีปัญหา แต่รักษาต้องผ่าตัดลูกหลานก็เลยมาคุยกันตอนที่คุยกันเนี่ยก็อยู่ข้างเตียงกันนะปรึกษากันว่าจะผ่าไม่ผ่าดีก็ตกลงว่าไม่ผ่านะปรากว่าจู่ๆเนี่ยคุณย่าเนี่ยนะก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า thank you ขอบคุณแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยนะสองสามวันจากนั้นก็เสียชีวิตนะ คนที่เป็นคนที่เป็นลูกของผู้ป่วยนี่ก็ประหลาดใจมากนะเพราะว่าสี่ปีเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะหลับอย่างเดียวนะแล้ววันหนึ่งก็พูดขึ้นมาแค่คำเดียวนะกับผู้ที่เป็นลูกนะผู้ที่เป็นลูกก็คือแม่ขอ ง, งอาจารย์อมรนั่นแหละบอกว่า thank you นะ thank you เรื่องอะไรขอบคุณที่ไม่พาไม่ทำอะไรกับท่านนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเพราะว่าเรามีความเข้าใจว่าคนที่โคม่าเนี่ยเขาไม่รับรู้อะไรพูดอะไรก็ไม่ตอบสนองแต่กรณีเนี้ย น, นะมันชื่อเห็นว่าคนไข้เนี่ยเคารับรู้ได้สี่ปีที่ไม่ไม่พูดไม่จายอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลับสนิทนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ารับรู้อะไรแค่ไหนแต่ที่แน่ก็คือ ตอนที่ลูกคุยกันว่าเนี่ยตกลงกันว่าจะไม่ผ่าจะไม่ผ่าตัดแม่แล้วแม่นี่ดีใจมากเลยนะถึงกับพูดขึ้นมาว่า thank you ขอบคุณมันก็มีกรณีแบบนี้เยอะนะคนที่โคม่าเนี่ยหมอช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าพอมีใครพูดประโยคบางประโยคขึ้นมาก็ตอบสนองทันทีเคยดูสารคดีบีบนะเขาพูดถึงเรื่องของคนป่วยและคนที่ใกล้ตาย ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบแปดได้มีโรคทางด้านเกี่ยวกระดูกสันหลังจู่ๆก็เป็นลมแล้วก็โคมา่าเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้นะคือไม่ฟื้นอะ่ะจู่ๆลูกชายเนี่ยก็พูดขึ้นมาแม่แม่รีบตื่นนะไม่งั้นพ่อนี่จะพาผู้หญิงไปเที่ยวแค่นั้นแหละคนไข้ตื่นเลยนะ คงไข่นี่คงจะคงจะห่วงมากนะหึงห่วงสามีมากนะถ้าแปลกนะหมอช่วยยังไงก็ช่วยไม่ไม่ได้นะพอลูกพูดขึ้นมาแค่เนี่ยตื่นเลยฟื้นขึ้นมาเลยอีกลายหนึ่งเกิดที่เมืองไทยเป็นฝรั่งนะประสบัติเหตุเข้าใจว่าหัวหัวใจหยุดเต้นด้วยซ้ําก็รีบพาส่งโรงพยาบาลหมอพยาบาลช่วยยังไงก็ไม่ฟื้นแล้วก็มีคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นหมอหรือพยาบาลนะพูดขึ้นมาว่า อีนี่ไม่น่าตายเลย่นนมมันสวยเพราะว่าฟื้นเลยนะเกิดกําลังเขาได้ยินนะเขารู้ภาษาเขารู้ว่ากําลังมีคนพูดถึงเขาว่ายังไงเกิดกําลังใจฮึดสู้ขึ้นมาตื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ว่ า, านานๆเกิดทีนะมันก็เกิดขึ้นอยู่ บ, บ่อยๆนะหลายกรณีมันแสดงเห็นว่าคนที่โคม่าเนี่ยไอ้มีแต่ร่างกายที่ไม่ตอบสนองนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยยังยังรับรู้ได้ นะเพียงแต่ว่าอาจจะสื่อสารลาบากหรือว่ามันยังไม่มีอะไรกระตุ้นมากพอส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในเรื่องการกระตุ้นทางกายนะเช่นปั๊มบ้างละฉีดยา ก, กระตุ้นความดันบ้างละแต่บางทีการกระตุ้นที่ดีทสุดคือกระตุ้นทางจิตใจนะก็คือพูดนะพูดบางอย่างบางประโยคนี้มันโดนใจพอโดนใจนี่คนไข้ก็ตอบสนองทันทีนะบางทีตอบสนองเสร็จก็ฟื้นนะแต่บางคนก็ตอบสนองแค่ พูดคำเดียวว่าขอบคุณ thank you แล้วก็ไม่ฟื้นละเพราะว่าร่างกายมันแย่เต็มทีนะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็ตายให้เวลาเราเจอเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเจอคนไข้ที่โคมา่าหรือว่าเป็นผักนะต่อไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นลูกหรือว่าเป็นพ่อแม่นะหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายาย เวลาเจอคนไข้ที่โคม่าหรือเป็นผักเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้อะไรนะเขารับรู้ได้แต่เราไม่รู้ว่าเขารับรู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะเจ็ดสิบแเจิบปดสิบซก็ได้นะถามว่ารู้ได้ยังไงนะไอ้ตัวอย่างที่พูดมาก็เป็นเหตุผลนึ่งละแล้วก็หลายคนพอฟื้นจากโคม่าหรือฟื้นจากเป็นผักเขาก็บอกว่าเขาได้ยินได้ยินได้ยินหมอพูดอะไรกับเขาหรือได้ยินหมอพูดอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะสื่อสารนะจนกว่า เขาจะได้รับการเยียวยานนะจนกลับมาเป็นปกติมานะคนไข้ที่เป็นผักบางคนที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยนะนะผักที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งสมองได้รับการกระทบกระเทือนมากเนี่ยพอช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้หลังจาก เ, กเป็นผักเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยเขารู้สึกมันอยู่ในคุกนะคุกก็คือร่างกายเขาอยากจะพูดก็พูดไม่ได้นะแต่ได้ยินหมดนะว่าหมอพูดอะไรลูกหลานพูดอะไร มางคนที่เป็นผักถึงยี่สิบปีนะแล้วก็ถูกช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าวิทยาการเป็นก้าวหน้าแล้วเขาก็เล่าว่าเขาได้พบได้ยินได้ประสบอะไรบ้างระหว่างที่สลบหรือว่าเป็นผักเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยเสียใจมากเลยนะที่แม่พูดกับเขาว่าแกตายไปได้นะแกตายได้สักทีนะแม่พูดกับลูกนะเพราะว่าแม่เนี่ยปลุกปั้มกับลูกมาหลายปีลูกไม่ฟื้นแม่ก็ ทุกทรมานมากแล้วก็คงเข้าใจว่าลูกนี่จะทรมานด้วยก็พูดกับลูกว่าเนี่ยแกตายได้สักทีนะอันนี้พูดมาด้วยความรู้สึก เ, เรียกว่าหมดหวังท้อแท้จริงๆแม่ก็ไม่พูดกับลูกแบบนั้นนะแต่มีความทุกข์มากก็เลยพูดอย่างนั้นเขาบอกเขาได้ยินแม่พูดงั้นเขาก็แย่เลยนะแต่ว่าเขาก็พยายามสู้นะพยายามสู้จกนกระทั่งผ่านไปสิบปีนะก็ฟื้นขึ้นมาได้ แต่ก็ยังจําคําที่แม่พูดกับเขานะแม่ก็คงไม่รู้ว่าคนป่วยนี่ได้ยินนะหรือรับรู้ได้เพราะคิดว่าเป็นผักก็คือมีแต่ร่างกายแต่ไม่มีจิตใจบางคนเนี่ยเขาก็พร้อมตายนะแต่ว่าเหตุผลบางอย่างทําให้เขายังไม่อยากตายหรือว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะตายก็มีคุณยายคนหนึ่งอายุ70รักษาตัวที่โรงพยาบาลและจูๆ่ๆหัวใจก็หยุดเต้น หมอก็ช่วยปั้มขึ้นมาแต่พอปั้มขึ้นมาเสร็จคนไข้ก็เป็นผักก็คือว่าไม่รับรู้อะไรอันนี้เป็นควมวินิจฉัยคนทั่วไปนะรวมทั้งหมอด้วยไม่รับรู้อะไรคือไม่ตอบสนองนะก็ให้อาหารทางสายยางอย่างเดียวแต่ว่าแกเป็นคนที่มีน้ำใจนะใครๆก็มาเยี่ยมลูกหลานญาติเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมทุกคนมาก็ให้กาลังใจ่าขอให้หายไวๆนะจะได้กลับไปนะไปคุยไปเล่นกันที่บ้าน แต่แกก็ไม่ตอบสนองนันเป็นเวลานานนับเดือนนะวันหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยดูแลแม่ตลอดเลยตัวแม่เห็นน้ำตาไหลก็สังหอนใจก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่เหนื่อยแม่แม่ทรมายแม่ถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมายแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมเสร็จแล้วก็ชวนแม่สวดมนต์นั่งสมาธินี้เป็นกิจวัตรอยู่แล้วแต่คราวนี้พอ ทำไปได้5นาทีเท่านั้นแหละสัญญาณชี้อของแม่ก็แบนราบเลยไปแล้วนะอันนี้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะที่มันพ้องพานกับที่ลูกบอกกับแม่ว่าถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมคือลูกอนุญาตแล้วนะไอ้ที่อยู่เนี่ยเพราะว่าห่วงลูกนะกลัวว่าลูกจะเป็นทุกข์หรือว่าห่วงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยากจะให้อยู่ต่อคนบางคนเนี่ยเขาอยู่เพื่อผู้อื่นนะ อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อญาติอยู่เพื่อหลานแต่พอลูกหลานบอกว่าเออไปได้แล้วนะไม่ต้องห่วงผมนะเขาก็ไปได้เลยบางที่เขารอคาอนุญาตอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์พรมวังโสนี่ได้ไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งเป็นยางหนุ่มอยู่เลยนะผู้ชายสี่สบสาสกว่าสัญญาณชีพแย่หมดแล้วแต่ไม่ตายนะท่านเอกใจท่านก็เลยถามภรรยาว่าให้อนุญาตให้อนุญาตเขาให้ตายหรื อ, อยังนะ อ น, นุญาตเขาตายได้หรื อ, อยังผู้หญิงก็พอได้ยิ น, นฉะนั้นก็ได้สติเลยนะขึ้นเตียงไปกอดลูกผัวสามีแล้วก็บอกสติฟีฟฉันอ น, นุญาตเธอไปได้แล้วนะเธอไม่ต้องห่วงฉันฉันอ น, นุญาตเธอไปได้แล้วพอพูดแค่นี้แหละนะเขาไปเลยนะคือเขาอยู่นะเพราะว่ากลัวลูกกลัวสามีกลัวภรรยานะจะจะทุกข์ทรมานนะ แต่พอภรรยาบอกว่าไปได้แล้วนะอนุญาตให้ไปได้แล้วก็ไปเลย อ, อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายกรณีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลญาติดูแลพ่อแม่ดูแลคนไข้ดูแลลูกที่เป็นโคมา่าเป็นผักนี่อย่าไปคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรนะเขาได้ยินนะจะพูดอะไรจะทำอะไรกไ็ปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นคนปกตินะ นะชวนเนี่พูดเรื่องดีๆกับเขาชวนให้เขานึกถึงธรรมะอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังแนะม้แต่คนขา้าวอาคนข้าอัลไซเมอร์นี่ก็เหมือนกันนะยังรับรู้ได้แต่อาจจะรับรู้ได้เพียงบางช่วงบางขนะไม่ได้หลงร้ออรอาจจะหลงสัก9กรู้ตัวสักสออรซรู้ ต, ตัวตอนไหนเราก็ไม่รู้มีคุณนงไลฟ์ฟังแม่นี่เป็นอัลไซเมอร์ลืมหมดเลยลืมแม่ลืมลืมคนทุกอย่างลืมตัวเองนะช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลย แต่วันหนึ่งเนี่ยนะเปิดประตูเข้าไปในห้องแม่เห็นแม่กําลังสวดมนต์โอ้เอาไซมอนที่สวดมนต์ได้เลยด้วยเหรอนะอันนี้ก็น่าแปลกนะเขาสวดมนต์ได้ทั้งที่จําอะไรไม่ได้แต่ว่าจําบทสวดมนต์ได้อันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ว่าจำไม่รับรู้อะไรเลยนะฉนั้นก็ต้องพูดต้องคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นปกตินั่นแหละมันถึงจะช่วยน้อมใจเขาเป็นกุศลได้เราก็เตรียมรับพร